ทรงประชุมสงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่มานัดยินดีการที่ปกตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับละ การถูหลังให้ในคราวอาบน้ำจริงหรือภิกษุทั้งหลายถูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตาหนิว่าการกระทาของภิกษุผู้ควรแก่มานัสไม่สมควรและภิกษุทั้งหลายฉะไหนพวกภิกษุผู้ควรแก่มานัส จึงยินดีการที่ปะกตะตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับและการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสละครั้นทรงตาหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ควรแก่มานัดไม่พึงยินดีการที่ปกระทตะภิกษุทั้งหลายกราบไหว้ลุกรับและการถูหลังให้ในคราวอาบน้ำรูปใดยินดีต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตการกราบไหว้ลุกรับและการยินดีถูหลังให้ในคราวอาบน้ำของภิกษุ ผู้ควรแก่มานัดด้วยกันตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตกิจห้าอย่างคืออุโบสถประวารณาผ้าอาบน้าฝนการสละพัดพัดเพื่อภิกษุผู้ควรแก่มานัดด้วยกันตามลำดับพรรษาภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราจะบัญญัติวัดแก่ภิกษุผู้ควรแก่มานัด โดยวิธีที่ภิกษุผู้ควรแก่มานัดทั้งหลายต้องประพฤต